เพื่อนทิพยตุจะมาเรียนทุกทุกท่านครับตั้งใจฟังกันแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกทุกท่านตั้งใจฟังคำว่าตั้งใจฟังนี่เราต้องฟังให้รู้จักัวมหมายและเนื้อหัวมนันนั้นๆดังนั้นที่ได้พูดกันมาเป็นประจำทุกอาทิตย์ วันอาทิตย์ทุกวันเวลาสิบสามนาฬิกาต้องพูดธรรมะสำหรับวัฒนธรรมไหนวันนี้เป็นวันทิตย์ที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสามสิบก็พูดเช่นเดียวกันเดียวเช่นเคยทำเพราะทรมาก็ต้องทาไปเรื่อยไปเลยดังนั้นพูดกันมาตั้งแต่วัน ทิศ ท, ที่สิบเอ็ดอันนี้จะหลงไปเรื่อยยังไงก็ไม่ทราบนะแล้วกับวันทิศ ท, ที่สิบแปดวันทิศ ท, ที่ยี่สิบห้าวันทิศ ท, ที่หนึ่งวันนี้พอเป็นวันที่หนึ่งก็จะพูดเรื่องความเป็นคนแล้วคนเรารู้จักกันดีว่ะเกิดมาเป็นคนแต่ว่าไม่ใช่คนหลวงพ่อเคยพูดกันมาหลายครั้งเรื่องนี้ เพราะทำความเข้าใจกันบางคนก็เข้าใจบางคนก็ยังไม่เข้าใจคาว่าคนนี่เราให้เข้าใจเสียว่าเราต้องเลือกคัดจัดหาเป็นสิ้นเป็นอันได้แล้วเรียกว่าคนถ้าหากงเราเลือกคัดจัดหาไม่ถูกต้องก่อนนั้นยังไม่ใช่คนแต่แข้งขาหน้าตามือเท้านี่เป็นคน พาะเกิดกับคนก็ต้องเป็นคนต้องรู้จักดังนั้นดังนั้นคำว่าคนเมื่อรู้จักว่าตัวเป็นคนแล้วก็ต้องรู้จักหน้าที่ของคนเมื่อรู้จักหน้าที่ของคนแล้วก็ต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนจริงๆเนี่ยว่าเป็นคนรู้จักหน้าที่ของคนการงานของคนเมื่อรู้จักดางนั้นแล้วก็ต้องปฏิบัติรู้จักหน้าที่ผู้เป็นบิดามารดา หรือเป็นบุตรเป็นครูเป็นอาจารย์ก็เช่นเดียวกันพระสงฆ์องค์เลนก็เช่นเดียวกันญาติโยมก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันดังนั้นธรรมะนั้นจึงเป็นอันเดียวกันเหมือนกันเป็นพระเป็นเนนก็ปฏิบัติธรรมะเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นคนนั้นจึว่าการปฏิบัติธรรมะจึงไม่เหมือนกันคําว่าไม่เหมือนกันนี่ก็ะธรรมะกับคนละเรื่องกันเลยไม่ใช่ธรรมะเรื่องเดียวกัน รู้ก็ต้องรู้คนละเรื่องคนละอย่างกันไปมันก็เลยไม่ตรงกับคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าทุกคนปฏิบัติธรรมะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องวมทุกขมสับสนวุ่นวายนี้เองแต่บางคนปฏิบัติธรรมะเพื่อเห็นสีต่างๆไปอันนั้นไม่ใส่เหมือนกันกับอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านรำมา เมื่อพูดเรื่องนี้เราเคยได้ยินม่ทางไม่ใช่ทางคาว่าทางไม่ใช่ทางนีาางง่หมายถึงว่ามันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แค่มันเป็นทางทำดีเท่านั้นเองดังนั้นคนไปนั่งกรรมฐานก็ตามคำว่ากรรมฐานนี่มีหลายวิธีที่ครูบาอาจารย์เคยสอนมาและตัวเองก็เคยเรียนมาจากครูจากอาจารย์เช่นเดียวกันบางคนก็ให้นั่งขัดสมาธิ หลับตาบางคนก็นั่งยังไงก็ได้ไม่ต้องหลับตามันหลายอย่างเนการเห็นและการทำวิธีการต่างๆนั้นเมื่อเรายังไม่ชัดเจนลงไปรับประกันว่าทุกคนต้องรู้อย่างนี้เราก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติลงไปแล้วมั่นใจว่านี่แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้า สอนให้ทุกคนรู้อย่างนี้แหละนะรแล้วก็มั่นใจว่านี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราวเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็เลยมาพูดเอาให้คนรู้จักตัวเองการรู้จักตัวเองน่าจะทำสมาธิอย่างไรก็ได้ถ้าหากว่าเราทำถูกวิธีจริงๆถ้าไม่ถูกวิธีจริงๆก็ล้มลุกคลคลานว่าหล่มเหลวหรือว่าอย่างไงหลวงอไม่รู้เรื่องอย่างนี้ หลวงพ่อพูดไม่เป็ี่ยนทาทาทางภาคกลางีงดังนั้นที่หลวงพ่อนำมาพูดก็ทุกคนก็ต้องเห็นได้เห็นจริงๆรู้จริงๆในขณะนี้แหละดังนั้นพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้คนฟังผู้ที่ตั้งใจฟังได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันทันวันอย่างนั้นแต่ผู้ที่ยังไม่ได้ตั้งใจฟังนั้นก็ฟังเพื่อความสนุก ฟังเพื่อเอาบุญอันนั้นก็ดีแล้วแต่ว่าตอนฟังธรรมะอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่ฟังเพื่อความเข้าใจและนำไปปฏิบัติตัวเองและกำลังนั่งฟังอยู่เดียวนี้แหละก็ประจักษ์ก็เป็นการปฏิบัติธรรมะไปในตัวมันเองดังนั้นคนนี่จะมีหลายอย่างถ้าจะพูดเป็นเรื่องสมมตคเมีตามีหูมีจมูกมี ลินมีกายมีใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ง่ายๆอันนี้เพราะว่ามีผมฟันขนเล็บเหล่านี้มองเห็นได้ง่ายวันนี้มีหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็มองเห็นได้ง่ายด้วยตาสําหรับจิตใจที่มันนึกมันคิดมันมองไม่เห็นด้วยตาวันหนึ่งมันคิดกี่เรื่องมันคิดกี่อย่างคิดไปในทางไหนเนี่ยเราไม่ค่อจะรู้กันเรื่องนี้ ดังนั้นการสอนการพูดพูดสิ่งที่มันพอที่จะทำได้เบื้องแรกจะมีวิธีการทำให้คนรู้สึกตัวคนได้อย่างที่เราเคยฟังกันเรื่องปฏิจจสมุปบาทหลักพุทธศาสนาธนวัฒคือเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเรื่องปฏิจจสมุปบาทธนวันังนี้คนที่จะศึกษา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 แต่ที่หลวงพ่อจะมาพูดกันในวันนี้เพื่อทำความเข้าใจกันและนำไปปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาเรื่องไม่อยากให้มันคุกเรื่องตายไปเกิดเป็นผีไปเกิดเป็นเทวดาอันนั้นเรามองไม่เห็นเราต้องศึกษาให้รู้ในขณะนี้แหละท่านว่าตายไปเป็นผีไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเตไปเป็นสัตว์นิราานันดรไปเป็นอสุรกายคนทาชั่วไปอย่างนั้น บันนี้คนทำดีตายไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์เป็นพระพรหมแล้วก็เป็นพระเรียบบุคคลทันวายอย่างนั้นคนทำดีแต่ทุกคนที่มาที่นี่ต้องการอยากดีทั้งนั้นแต่เราไม่รู้จะว่าดีคืออะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยรู้แต่ตัวของผมเองตัวอาตมาเองก็ไม่ค่อยรู้เมื่อไม่รู้สอนก็จับต้นชนไปลายไม่ได้ ดังนั้นคนจังหวะไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปตกนรกนึกว่าตายแล้วอย่างไปอันนั้นมันเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นท่านบอกข้ามพบข้ามซาดไปนี่ยเรามองไม่เห็นดังนั้นคนเราเกิดมาเป็นคนแข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนจิตใจก็เป็นคนบางทีจิตใจข้ามจากหวงเป็นคนไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เนี่ยบอกข้ามพบของคนเป็นคนไปแล้วพบภูมิเขาว่าภูมิพบ กา ม, มาพบลูปรพบอาลูปรพบกา ม, มาพูมิลูประูมเอาลูประพูมิทันวัยตัวหนังสืออันนั้นมันเป็นเพียงคำพูดตัวหนังสือแต่เราต้องเรียนแล้วก็ต้องใชสติปัญญาทิจรารณาทมกรรมฐานลงไปทำให้พัฒนา ล, ลงไปกรรมคือการกระทําฐานเปรติตั้งของจิตของใจทันวัยแต่เราไม่เคยได้ดูว่าจิตใจมันนึกมันคิดเป็นอะไร มันเป็นคนไม่เดี๋ยวนี้เนี่ยหรือมันล่วงจากภูมิความเป็นคนไปเป็นเปรตไหมหรือมันกลับคือมัเป็นคนอีกแล้วหรือมันล่วงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไหมหรือมันล่วงไปที่ไหนแล้วเนี่ยลวงพบลวงภูมิคือพบอันนี้มันเป็นภพของคนมันเป็นภูมิของคนถ้ามันล่วงจากภพนี้ไปแล้ววันนี้เวลามันล่วงไปมันแสดงออกมาในแง่ไหนหน้าตา เป็นยังไงอันที่เรามองออกกันเห็นนะ่ะคือมันโกรธเกลียดชอบไม่ชอบนี่เรามองเห็นได้แต่หลักสณะที่มันนิ่ม น, นวลละเอียดไปกว่านั้นก็ยังมีมากดังนั้นพระพุทธเจ้าทั้งจึงสอนให้คนรู้จักว่ามันกลายจากภพคูมเป็นคนไปแล้วถ้าไปทางดีมันก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระอินเป็นพระพรหมไป ที่สุดก็เป็นภาริยบุคคลท่านว่าดังนั้นเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็ได้แนะแนววิธีปฏิบัติให้พวกเราไปทำเองนั่น ล, ละรู้เองวิธีที่ทำนั้นทุกคนรู้ทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีจิตมีใจเหมือนกันคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤ ษ, ค น, กฤษคนอเมริกาคนคาเมนคนยวนคนลาว ให้ว่าถือศาสนาใดก็ต้องเป็นอย่างนั้นนุ่งผ้าสีอะไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นแม้ละทินิกายนั่นน่ยไม่สำคัญมันเป็นเพียงซื้อสมมุติเท่านั้นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านจึงไม่จำกัดไม่กําหนดเสื้อซาสาศาสนาสั้นวันนักกุลมันมีเหมือนกันเรื่องจิตใจของคนแต่ในขณะเรานั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่ในขณะนี้ลักษณะนี้ก็มีเหมือนกัน มีจิตใจสบายสบายหรือจิตใจว่างๆลักษณะนี้ทางกระเรียบเป็นปกติถ้าผิดจากนี้ไปแล้วเป็นยังไงถ้าผิดปกติอยากจางที่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยผิดปกติจากนี้ไปนะถ้าไปทางดีใจมันยิ้มแย้งเป็นโลภะเต็มโลภะลักษณะโลภะนี่สามารถให้เป็นเปรตก็ได้ มัเป็นอะไรก็ได้ลักษณะมันผิดปกติไปแต่ว่าผิดจากภวมปกติไปเป็นภพที่แบบมันมีโลภะขึ้นมาแล้วบบนี้ตอนนี้ถ้ามันผิดไปทางไม่ดีโกรธเกลียดผิดปกติไปทางโทสะไปแล้วบอรนึ่เป็นโทสะเป็นยังไงก็บางทีก็ไปเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานผิดไปแล้วข้ามจากภวมเป็นปกติไปแล้วข้ามจากภวมเป็นคนไปแล้ว คนจึงว่ารู้จักเลือกคัดจัดหาอันนี้ได้จิ่วพภูมิเป็นไวเยแต่เรามามองเห็นตั้งแต่พบภูมิคือเกิดจากท้องแม่แล้วก็ตายไปเราเห็นอันนี้แต่ว่าหลักสษณะจิตใจมันคิดเราไม่ค่อยรู้กันดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนคนที่มีปัญญาฟังแล้วจับใจควมเอาไปปฏิบัติได้ท่านบ่กได้ดวงตาเห็นธรรม หรือเป็นพระอาเรียบุคคลได้กระแสรพระนิพานท่านว่าคำว่านิพานนั้็หมายถึงว่าว่างหรือว่าปกติเราเคยพูดว่าว่างวางอะไรกันหลายอย่างหรือว่าสันติหรืออุเปกขาก็มีความหมายอย่างที่จิตใจเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้นี่เองเราก็ดูใจเราทุกคนไม่ใช่ว่าดูมหัวใจที่เป็นก้อนนะไม่ใช่ดูใจมันคิด หรือมันไม่คิดเราก็รูโอลักษณะที่หลวงพ่อพูดนั่นคือว่าลักษณะจิตใจมันว่างมันไม่ใช่ว่าว่างโดยที่ไม่มีความเห็นว่างมันต้องเห็นอย่างตาเนี่ยสำหรับมันมองไปข้างนอกได้แต่ตัวใจมันเห็นหรือว่าใจเห็นใจหรือว่าสติปัญญาเห็นใจเราจะว่ายังไงก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่สมมติพูดกันขึ้นมาลักษณะเหล่านี้แหละทุกคนมีเหมือนกัน ถ้าหาคนใดยังไม่รู้อย่างนี้ท่านก็เรียกปุทุสนทะ่านว่าปุทุสนแปลพูดหนาพูดแน่นพูดเรื่องที่ไม่มีตัวไม่มีตนให้ฟังไม่เข้าใจเรียกปุทุสนพูดหนาแน่นอยู่นํอาอวิชชาคือกลัวไม่รู้นั่นเองท่านาะดังนั้นอวิชชาจริงหรืเป็นกลมรู้ที่ไม่รู้รู้แต่มันไม่รู้ท่านวะ่ของที่รู้นั่นรู้แต่มันไม่ใช่รู้อย่างที่เราเป็นนั้ง ภาวนาพุทโธก็ได้นั่งยังไงก็ได้เราไปเห็นสีแสงอะไรต่างๆอันนั้นเห็นจริงของสิ่งนั้นมีจริงแต่ว่าไม่ได้เป็นของจริงทำไมจีว่ายเห็นจริงไม่เป็นของจริงทำไมพูดอย่างนั้นเพราะว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้มันแก้ทุกข์ไม่ได้ไม่ใช่จริงท่านสิ่งที่แก้ทุกข์ไม่ได้นั้นไม่เป็นของจริงทั้งหมด พ่อพระเจ้าสอนแต่เรื่องทุกอย่างทุกสมุทัยนิโรธมักเนี่ยันสอนเรื่องเานี้เองเนี่ยทุกต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละมักต้องเจริญนิโรธทำให้แจ้งทุกคนได้ฟังมาถ้าหากเข้าวัดหรือศึกษาตามครูอาจารย์แล้วต้องได้ยินอย่างนี้แหละเป็นต้นทีเดียว ตัวอาตมาก็ได้อยู่อย่างนี้มาตั้งแต่พ่อแม่เราให้ฟังแต่เมื่ อ, อยัางเด็กๆพาอตัวเองไม่เคยรู้พูดถึงเรื่องพระอินก็ต้องเป็นสีเขียวเขียวนี่เข้าใจอย่างนั้นทงเครื่องเขียวพระอินนี่เําไม่เข้าใจบัด น, นี้พูดถึงเรื่องพระอินก็มีเมียสี่คนพระอินนี่มีนางสุสาดานางสุจิตตาสุธมาสุนันทาเป็นเมียพระอิน แต่แบบนี้ทุกคนก็ต้องอยากได้เมียสี่คนไปเกิดเป็นพระอินนะ่ะเป็นอย่างนั้นแต่ไปเป็นเทวดาเนี่ยเมียตั้งร้งอยไปทีนั่นเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่รู้จักได้อาจจะเป็นบุคคลจริงๆก็ได้แต่ความจริงแล้วนางสุสดาก็หมายถึงคนนี้เองเกิดมาและเป็นซาสคนทันไวย์อยาให้กลายไปเป็นซาสผีทันไวยอย่างไงนางสุสดาก็คนทุกคนเกิดมาจากพ่อแม่เป็นซาสพก ภูมิเนี่ยก็จิตใจเราก็เกิดมาแล้วบ่ น, นี่เป็นซาตพพภูมิเลยนะนางสูสดาแล้วเกิดมาเป็นคนต้องรู้จักคนแก่รู้จักคนแล้วก็รู้จักหน้าที่ของคนดีรู้จักหน้าที่ของคนแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของคนให้มันเป็นเนว่าเป็นเทวดาก็ได้เป็นพระอินก็ได้พระผมก็ได้จะพูดยังไงก็ได้เลยแนะบบ น, นี้ นางสุจิตาก็จิตตานุปั ส, สนาเราเคยพูดกันจิตใจจิตใจก็ดีแล้วเกิดมาแล้วจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบเราเคยพูดกันอย่างนั้นแต่ว่าเราเนึกว่าเป็นคนจริงๆก็จริงอันนั้นก็จริงแต่นี่พูดเอาเองนั่นไม่ได้พูดกับตำลาเนะี้ยพูดตามความเข้าใจตัวเองพราะตัวเองเข้าใจยังไงก็ต้องพูดอย่างนั้น เรนางสุจิตตาว่าจิตดีอย่างที่เรานางอยู่จิตใจมันดีอยู่แล้วจะไปทําอะไรให้มันจิตใจไม่ต้องทําเพราะไปทําแล้วก็ผิดปกติไปแล้วมันไม่เป็นตามธรรมชาติมาแล้วนางสุจิตตานางสุธมรมมเนี่ยทำคือการกระทําทําการทํางานตามหน้าที่ของตนเมื่อผิดจากหน้าที่ของตนก็ไม่ใช่ทำแล้วบัญนี้ ก็เข้าใจกันได้ถ้าพูดอย่างนี้ก็เข้าใจได้เอาไปปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองใช้ได้เลยเพราะว่าอุดมการแต่ละคนไม่เหมือนกันการแปลทังสือเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อพูดบางคนตีคมหมายนี่ไม่ไม่เหมือนกันตีคมหมายต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยบางคนต้องแปลไปเป็นอย่างนั้นอันนี้คนไทยพูดแล้วต้องรู้ภาษากันได้ แต่ถ้าเราไปปฏิบัติและไปแปลเอาภาษาคนอินเดียผู้นั้นอาจจะผิดกันไกลมากเพราะในสมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ก่อไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้จารึกพระธรรมวินัยอะไรพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังเลยคนมีปัญญาก็จำเอาไปปฏิบัติได้เลยทันวายอย่างนะั้นบางคนถึงกับเป็นพระอรหันต์ก็มีทันวาอย่างนะั้นคว่าพระอรหันต์เนี่ยเรามองเห็น คนอยู่ไกลๆพ่อเนี่ยมองเห็นไปอย่างนั้นแต่ที่ตัวอาตมาเข้าใจพระอหรหันต์อันนั้นมันเป็นผู้มีอิทธิปฏิหารเหาะเหินเดินล่วงดำดินบินบนได้พระอหรหันต์จําพวกนั้นแต่ที่ตัวของหลวงพ่อหรือตัวของผมตัวอาตมาเนี่ยพูดเลยไม่ใช่อย่างนั้นคือเห็นตัวเองนี่เนี่ยพระอหรหันต์เห็นตัวเองกําลังทํากําลังพูดกําลังคิด ตามหน้าที่ของตัวเองเนี่ยเรียกว่าพระอรหันต์ก็ได้แต่ว่าไม่ใช่พระอรหันต์แบบนั้นจึงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเหลา่าทนว่าผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเหลาจะจับนิ้วมือนิ้วเท้าหรือสายชีวอเราอยู่ก็ไม่เห็นเหลาเพราะไม่เห็นธรรมคือไม่เห็นอย่างที่พูดนี่แหละนางสุนันทาเรียกว่าสนุก สนุกกับการกับงานทําการทํางานไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างที่คนกรุงเทพนั้นนู้นทำงานอะไรอ่าจะทำด้วยความสนุกนะถ้าทำยกความทุกขแล้วก็ไม่ใส้สูดนินทาแล้วบันนี้สูดทุกข์แล้วบันนี้ทํางานเพื่อสนุกทันวัเนี่ยไม่ให้ทุกข์เข้ามาเจือปนที่ว่าอยู่เหนือโลกอยู่เหนือทุกข์ทันวันเนี่ยแต่คนเราไปเป็นบุคคลขึ้นมาก็ดีนะบุคคลก็ดี แต่ตัวคำพูดที่อาจจะมาพูดเนี่ยพูดเพื่อให้คนเข้าใจเรื่องจิตใจตัวเองคนทำงานด้วยทุกอยู่ด้วยทุกกินด้วยทุกนั่งนอนด้วยทุกแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยตายก็ยังยั ง, ยงดีกว่านีท่านว่าอย่างนี้นบัด น, นี้คนเราเกิดมาทำการทำงานโดยไม่มีทุกท่านว่าอย่างที่เรียนหนังสือเนี่ยบางคนเรียนด้วยทุกนะ อยากสอบไลได้อย่างนั้นอย่างอ้าวเลื่อนมาเพื่อจะ ม, มาประกอบตัวเองไม่ให้ชีวิตเป็นทุกข์นี่เองทํางานซ่อมรถหนูกัเพื่อไม่อยากให้ชีวิเป็นทุกข์ได้ไม่หนูเออเขาก็เหมือนกันทุกคนจ้ะเมื่อชีวิตไม่เป็นทุกข์อ่ะนั่นแหละ ส, ส, ส, สุนันทามีความสุขสนุกสนานท่านว่าทำการทํางานด้วยความสุขด้วยควลามร่าเริงแม่ได้เงินมาได้น้อยก็สบายใจ ได้มากก็สบายใจอันนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อไปสอบไลนไม่ได้ก็น้อยใจทุกแล้ววันนี้เมื่อไปทำการทํางานในบริษัทห้างร้านวันนี้เมื่อเขามาให้เงินเดือนหรือมีพักพวกขัดคอกันยเก็ทุกใจแล้วอันนั้นไม่ใช่คนแล้วผิดไปแล้วผิดหน้าที่ของคนแล้วเพราะไม่เห็นคนเนี้ยผิดไปทางไหนก็ไม่รู้ดูเอาเองนะเราผิดไปทางเปรตหรือผิดไปทางสัตว์นรกหรือ ผิดไปทางไหนเราต้องรู้เองนะเนาะสันทิโกอันผู้รู้จะพึงเห็นเองอาการเียโกไม่ประกอบการและเวลาไม่ประกอบมื้อประกอบวันเมื่อประสบเข้าเวลาใดแล้วมันจะเป็นไปข้ามภพภูมิไปทันวันดังนั้นภพภูมิเราก็ต้องศึกษาให้รู้ที่ตัวของเราเองถ้าหากเราไม่ศึกษาที่ตัวของเราเองแล้วเราก็ไปจํอาออกกับตำรา ไปท้องไปบนอกกับตำมลาก็ดีแล้วอแต่มันแก้ทุกได้ไหมถ้าแก้ทุกไม่ได้ก็แสดงว่ายัางไม่ถูกละยังไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านววาอย่างนั้นเมื่อเราทําไปมันแก้ทุกได้ก็แสดงว่าเราถูกลกเราแก้ทุกเราได้ดังนั้นความทุกจะมีมาหลายอย่างท่านสอนทุกอย่างและพระพุทธเจ้า แต่เราฟังมันอาจจะพลาดผิดไปก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียแล้วก็เลยมาฟังเจ้าภาษาบาลีบางคนพูดความจริงยังไม่อยากให้พูดอีกด้วยนะหาว่ามันไม่ขังเนี่ยอย่างนั้นก็มีนะคิดว่าเอาเจะาขังบางคนญาติญาติโยมหมดศรัทธาเนี่ยมันทําไม่ได้ไม่ใชจะเอามาแสดงให้อย่างคนที่ทสมัยนี้ฟังเนี่ยอย่างนั้นก็มีไปอ้าว ทำไมไปยางไงอย่างนั้นคนไทยเราต้องมาแสดงให้คนในยุคสมัยเรามีชีวิตนี่แหละปฏิบัติแล้วก็ต้องเป็นการฟื้นฟูหลักพระพุทธศาสนาคำสอนของพระบรมเจ้ายุคนั้นก็รู้อย่างนี้ยุคนี้ก็ต้องรู้อย่างนี้ยุคต่อไปก็ต้องรู้อย่างนี้เพราะความจริงมันมีอย่างนี้อันตายไปแล้วนั้นเรายังไม่พบเรายังไม่เห็นเราจะไปชืทราบได้ อย่างนั้นยานิอันนั้นก็เรื่องของคนนั้นเป็นผู้มีอิทธิปฏิหารอันนั้นแต่อาจจะมาลู้ไม่ได้อย่างนั้นแต่อาจจะมาลู้ได้พบภูมิอันนี้แต่ทุกคนที่ที่อยู่ที่นี่อาจจะมาเข้าใจว่าคงจะรู้ไป ม, มากกว่าน่อยโอ้จิตใจมันโรกรธเออข้ามพบภูมิเป็นคนไปแล้วโอ้ไปเป็นสัตว์นรกแล้วเนี่ยก็จาเห็นได้ทันทีเลยบันนี้ทาการทำงาน โดยไม่ละอายควาผิดของตัวเองโอ้ยเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วข้ามไปจากพบคนเป็นคนแล้วเนี่ยเราก็ใจเห็นได้อันนี้เราไม่ได้พูดควาจริงให้กันฟังถ้าพูดควาจริงนะโอ้ยมันจะทำให้ศรัทธาคนไทยเสื่อมไปแล้วเขาจะไม่เลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเข้าใจไปอย่างนั้น อาตมาเคยพูดตั้งแต่เมื่อสมัยเป็นโยมพระทางบ้านอาตมาเนี่ยอาตมาพูดแล้วไม่ได้พูดให้คนสมัยนี่ฟังไม่ได้ผิดนี่เขจาว่าไปยังไงอันนี้ก็แสดงว่าตัวเองทําลายตัวเองโดยไม่รู้ตัวถ้าทําลายตัวเองยังไม่พอยังไปทําลายคนอื่นให้ห่างไกลจากความจริงอันนั้นท่านว่าผิด แต่คนสมัยนี้อาจจะว่าถูกก็ได้เพราะความเห็นนั่นคำว่าสัมมาทิฏฐินี่น่ะเราว่าเห็นทูกต้องแล้วก็เดินทางสายกลางเห็นทุกต้องเห็นอะไรก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาเป็นมักแปดไปเลยอันนั้นก็ถูกเหมือนกันที่อาตมาผู้ในสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกต้องเห็นตัวเองจริงๆเห็นแขงเห็นขาเห็นมือเห็นเท้า เห็นตาเห็นศพเห็นปากเรานี้เองเลยเห็นจิตใจตัวเองมันนึกมันคิดขึ้นมานี่เองเลยเห็นของจริงแท้อันนี้เทว่าเป็นทิฏฐิเราเห็นถูกต้องไม่ได้ไปเห็นแขนคนนั้นไม่ได้เป็นเห็นขาคนนี้เห็นตัวเองนี่แหละอันนี้เทว่าเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่เป็นรูปเจ้าทรายสิทธะกุมารนั้นเขายังปฏิเสธอยู่แล้วกับพระวรกลิกศ อันเนี้ยไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าบอกภรวักกะลิศตายเป็นไหมตายเป็นถ้าตายเป็นแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไงร น, น, นี่เราถือศาสนาพุทธมาหลายสิบปีแล้วนี่ยเชืว่าในสีวิเทนเราคนไม่เหมือนกันนี่ยนูนอายุกี่ปีแล้วสออ๋อตอนถือศาสนาพุทธมาชาติสิบแปดปีแล้วอ่ะนูนอายุยี่ิปีแล้วสี่สิบเนี่ยถือศาสนามาสี่สิบเอาคุณอาุกี่ปีแล้ว หุ่นถือศาสนาพุทธมาทุกคนอยู่ที่นี่พูดว่าสามสิบสี่สิบยี่สิบปีถือศาสนาพุทธมาก็ยังดีนะแต่หลวงพ่ออายุสี่สิบหกปียังได้เข้าใจเรื่องนี้หุ่นอายุ4ี่สิบหกปีมาทางหลังเนี่ยมาทางหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยไม่มีคาเลยเพออยู่โดยความมืดอยู่ในถ้ำแต่เจ้าของไปทำบุญไปรักษาศีล ก็ยังอยู่ด้วยข ม, มืดนั่นเองความสว่างทางจิตใจไม่มีเมื่ออายุสี่สิบหกปีมาแล้วโอ้คำพูดแต่ละคำละคำนั้นมันไม่เหมือนกันใครชอบอย่างนั้นก็ต้องพูดอย่างนั้นใครเห็นอย่างใดก็ต้องเอาความเห็นอย่างนั้นมาพูดมาสอนกันแต่สอนให้คนละซัวทาดีดีแล้วแต่เมื่อมารู้อย่างนี้แล้วโอ้ความจริงแล้วคันว่าเห็นตัวเองเนี่ย มันแน่นอนที่สุดจวะเป็นสัมมาทิฏฐิแท้แต่อาจจะเป็นสัมมาทิฏฐิตัวเองคนเดียวนะแต่คนอื่นอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้เพราะเราเห็นไม่เหมือนคนอื่นนี่ดังนั้นในประเทศอินเดียท่านว่ามี1อยแปดลทัทธิรอยแปดอาจารย์รอยแปดศาสนาก็ไม่เห็นเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เห็นดีด้วยตัวเอง และพวกละทิพวกอาจารย์เหล่านั้นก็ต้องเห็นไปตามรวมคิดคนเห็นดังนั้นศาสนานะจึงมีหลายละทิมีหลายนิกายมีหลายครูมีหลายอาจารย์มีหลายผู้สอนส่วนร้อยแปดคนนั้นหรือว่าร้อยเจ็ดคนก็ได้แต่ว่าร้อยแปดละทิคันธหางร้อยแปดละทิก็ต้องร้อยเจ็ดละทินั้นจะไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าคนนี้ก็จะไม่เห็นด้วยร้อยเจ็ดละทินั้นถ้าหากเป็นรนะ้อยแปด เป็นอย่างนั้นดังนั้นความคิดความเห็นนั้นเราต้องพิจารณาให้จริงถ้าไม่จริงแล้วเราจะหลงโหมไปยกคนงมงายท่านวะงมงายจับต้นต่วนปายไม่ได้ดังนั้นดังนั้นพูดอะไรพูดในเรื่องตัวเองเนบางคนโอ้ยพูดในเรื่องตัวเองหลวงพ่อเนี่ยอย่านันก็มีก็จะไปพูดเรื่องคนอื่นทําไมพูดเรื่องพูดเรื่องคนอื่นเราจะไปรู้ดีเหนือเขาได้ไหมรู้ไม่ได้ อย่างที่อาตมาเคยพูดตําหนิแผลที่ลี้ลับตัวอาตมาเนี่ยคนอื่นจะรู้ดีเหนืออาตมาไม่ได้ตัวอาตมาต้องรู้ดีกว่าทุกคนเลยญาติโยมก็เหมือนกันพระสงฆ์องค์เจ้าก็เช่นเดียวกันอาตมาจะรู้ดีเหนือตัวเองของท่านไม่ได้ท่านต้องรู้ตัวเองของท่านดีกว่าทุกคนไปดังนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าหากไม่ระมัดระวังแล้วเราจะอาจจับ เอียงไปซ้ายก็ได้เอียงไปขวาก็ได้เราจะไม่ได้อยู่ตรงกลางเลยดังนั้นการฟังธรรมะวันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันเรื่องภพภูมิเรื่องหน้าที่ของคนและความเป็นคนนังอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยอันนี้แหละเป็นปกติเป็นคนแท้อันนี้ถ้าผิดออกจากนี้ไปทางดีใจเป็นโลภะกันทะถ้าผิดออกจากนี้ไปทางเสียใจก็เป็นโทสะ แต่เพราะไม่รู้นั่นเองเปลว่าไม่รู้จริงนั่นเองใช่ว่าโมหะคือข่มหลงคือไม่รู้จริงนั่นเองเมื่อมาตัดเป็นปฏิจจสมุปบาทก็เลยว่าอวิชชาเพราะความไม่รู้อวิชาเป็นความไม่รู้วิชาก็แปลว่าขมรู้ผิดนั่นเองท่านว่าอะิวเปว่าไม่วิชาเปลว่ารู้ท่านว่าอย่างนไรอวิชชาเป็นไปจะให้เกิดสังขารเนี่ยสังขารก็ต้องปุงไปเลยไป สังขารเป็นปัจจัยกิวิญญาณก็ต้องรู้ไปแล้วประเี็นรู้ไปทั้งทางไหนก็ไม่รู้บ่นก็เป็นพบเป็นซาตดเป็นพบเป็นภูมิไปแล้วประนี้ดังนั้นพบภูมิที่เราเกิดจากท้องแม่นั้นก็ดีเหมือนกันอันนั้นมันเป็นพบเป็นภูมิจริงๆนันนะเกิดมาเป็นตนเป็นโตไม่ว่าแต่คนนะสัตว์มันก็เกิดจากท้องแม่มันก็เป็นตนเป็นโตเหมือนกันคนเราแบบนี้เกิดมาแล้วหน้าที่ที่จะศึกษาให้รู้จักจริงๆ ถ้าหากไม่รู้จักคนแล้วก็เป็นได้เพียงคนแท้งขาหน้าตามือเท่าเป็นคนจิตใจอาจเป็นผีก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้ผิดจากคนเป็นคนไปแล้วจะเป็นคนได้ไหมเป็นไม่ได้เพราะมันผิดไปแล้วเดนี่เนี่ยเระต้องศึกษาเอาใกล้ๆเราไม่ต้องไปศึกษาเอาไกลบัดนี้ถ้าผิดไปจากเทวดาได้บัดเนี่ยมันกลับไปเป็นเทวดาไปซะ คนกลัวไปตกนรกหลังจากการตายแล้วอนารกในปัจจุบันนี่ทำไปจริงไม่ปลัว ด, ดังนั้นพระพุทธเจ้าหรือท่านอาจารย์ผู้ที่ท่านสลาดท่านรูม้มานอดีตอนาคตปัจจุบันมันมีสามอย่างเท่านั้นเองกิเลสพันห้าตัณหาร0อยแปก็เกิดขึ้นสามอย่างนี่เองถ้าเราศึกษาสามอย่างนี่ไม่ถูกต้องก็แสดงว่าเรายังเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้ เมื่อเรารู้จักศึกษาสามอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเราเป็นสัมมาทิฏฐิได้เองเนี่ยว่าอาดีตอนาคตปัจจุบันอดีตที่ผ่านมาแล้วจะแก้ไม่ได้อนาคตที่ยังไม่มาถึงก็แก้ไม่ได้จะแก้ได้เฉพาะปัจจุบันกำลังรู้กำลังเห็นกำลังเป็นกำลังมีกำลังสัมผัสได้นี่แหละท่านว่าเป็นปัจจุบันเธอถ้าหากเราแก้ปัจจุบันนี้ไม่ได้มันก็เอียงไปเลย เป็นอารมณ์ไปเลยนะว่อาอดีตเนี่ยสมมุติอันนะอดีตเนี่ยห้าร้อยอนาคตก็ห้าร้อยปัจจุบันก็เกิดขึ้นห้าร้อยก็เป็นพันห้าปัจจุบันก็ผิดไปนะดังนั้นจีงว่าให้เห็นควมเป็นคนก็เป็นกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดบนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอดีตสามสิบหกอนาคตสามสิปัจจุบันนี่ก็เองไปสามิบหกเสียไปแล้วก็เป็นตันหาร้อยแปด ดังนั้นไม่ได้เกิดขึ้นอื่นไกลเลยเกิดขึ้นที่ตรงนี้ดังนั้นจึงศึกษาหาควอมเป็นคนให้ได้เราศึกษาหาปกติให้ได้คนถ้ายังไม่เห็นจุดนี้แต่ว่าคนอื่นนั้นจะเป็นยังไงไม่ทราบยังไม่มีศินเลยเพราะยังไม่มีปกติศิลจะปรากฏขึ้นมาได้ยังไงเมื่อจิตใจเราเห็นอันนี้เป็นปกติอันนี้นั่นจะได้ว่าคนมีศิน สิงจึงกำจัดกิเลสอย่างยากกิเลสยางยากกว่าได้แก่โทสะโมหะโลภะนี่เองถ้าหากว่าไม่จัดจักกิเลสสามตระกูลนี้ออกไปแล้วก็แสดงว่ามันจะมาลบกวนลมลุกคุกคานไปเฉพาะเป็นผีเป็นคนเป็นอะไรไปกี่ปาถะไปยันนั้นแหละดังนั้นการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วนั้นต้องศึกษาที่ตัวเรา ดังนั้นทุกคนจึงเป็นตัวศาสนาที่ตัวหลวงพ่อเคยพูดอย่างนี้มาบางคนอาจจะได้ฟังบางคนอาจจะไม่ได้ฟังถ้าคนใดไม่มาก อ, อกว่าได้ยินไม่ได้ฟังหนูเคยได้ยินดังไห ม, ไมไหลวงพ่อพูดแบบทุกคนเป็นตัวศาสนาเพราะว่าศาสนาเป็ว่าคําสั่งสอนของท่านพุรูนใครรู้เรื่องอะไรก็มาสอนให้เหล่านี้เองเราต้องเก็บต้องกําพุทธศาสนาบันเนี่ยไม่ใช่ตัวศาสนาเลย พุทธะแปลผู้รู้แต่ผู้รู้รู้อะไรที่ไหนก็รู้ตัวเองเนี่เองรู้กายรู้ใจทั้งหมดถ้าหากไม่รู้สิ่งเหล่านี้ก็แสดงว่าเราไม่มีพุทธศาสนาแม้จะกราบจะไหว้พระพุทธเจ้าอยู่เองก็ยังไม่มีพุทธศาสนาดังนั้นศึกษาหลักพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้จริงๆ อย่างนั้นคนโบราณท่านสอนเอาไว้วสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ที่ใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจเนี่ยเมื่อเราศึกษาหาพระนิพพานอยู่ที่ใจแล้วเรารู้จักแล้วรู้รู้สึกแล้วลสรสราตของนิพพานเป็นอย่างนี้เราจับได้แล้วเราก็อยู่ด้วยนิพพานเราอยู่ด้วยนิพพานตราตายไปก็ต้องไปกับนิพพานเพราะเราอยู่กับนิพพานได้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องให้เปอันอื่นมาอีกแล้ว ไม่ต้องไปเมืองสวรรค์ไม่ต้องไปอะไรที่ไหนแล้วเพราะเราอยู่กับปัจจุบันนิพพานมีอยู่แล้วบัด น, นี้เรายังศึกษาไม่รู้ไม่เข้าใจเพียงคาดคิดเอาอ น, นั้นเพูดว่ามันนึกมันคิดวิปัสสนึกวิปัสะคิดว่าไงนึกเดาเอาเองอมเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างนี้มันก็ไปทางข้างนั้นดังนั้นธรรมะที่พระ พ, ยยทพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นั้นเรื่องสวรรค์ก็ดี เรื่องนิพานก็ดีเรื่องนรกก็ดีให้ว่าทุกอย่างนั่นะจะคาดคิดเอาไม่ได้จะรู้ล่วงหน้าไม่ได้โดนเดาเอาไม่ได้ต้องรู้เองเห็นเองเข้าใจเองแต่ครูอาจารย์นั้นเพียงเนแน็่แนะนวให้เราเท่านั้นเองดังนั้นการประพฤติปฏิบัติต้องอาศัยการกระทมของตัวเองคนอื่นทำแทนเราไม่ได้ดังนั้นคนเราต้องรู้จักเคารพตัวเอง่น เมื่อรู้จักแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองได้ไม่แช่ว่าจะยกมือไหว้ที่อื่นนะยกตัวไหว้ยกมือไหว้ตัวเองหมายความว่าอย่างโอ้จะก้อนเราไม่รู้ว่าของดีมีที่เราขนาดมีเนี่ยเราก็ไม่เห็นของดีที่ตัวเราก็ยกมือไหว้ตัวเองได้ดังนั้นการไหว้ตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นหน้ากาบหน้าไหว้ว่าอัศจรรย์ว่ามันหลาย คำพูดเรื่องนี้เป็นคำของคนโบราณเพราะว่าตัวเองไม่เคยเรียนหนังสือจรงวะพูดกับตัวหนังสือไม่ได้พราพูดไปกับผิดไปอย่างนั้นแต่ว่าผิดกับเรื่องหนังสือแต่เราจะมาศึกษาตัวเราพูดกับตัวเราเองคันว่าดังนั้นการยกมือไหว้ตัวเองเนี่ยไม่มีใครบอกให้เราได้มีแต่ให้ไหว้ครูไหว้บิดามารดาไหว้อาจารย์ให้ไหว้คนอื่นในมีคนสอน เรื่องไหว้ตัวเองยกมือไหว้ตัวเองเนี่ยไม่มีใครสอนเลยเราต้องรู้สึกตัวทุกคนต้องยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไหว้ตัวเองได้แล้วก็ไหว้คนอื่นได้เลยว่าเขาลบศาสนาเขาลบพุทธศาสนาได้จริงทันไวน้พุทธศาสนาน่าจะว่าคือตัวเห็นแจ้งรู้จริงนั่นเองยกพุทธจริงแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมนั่นรู้ธรรมะ ตื่นธรรมะเห็นธรรมะอยู่ด้วยธรรมะธรรมะจึงมีสามประเภทธรรมด้วยกายหนึ่งธรรด้วยคำพูดหนึ่งธรรด้วยใจหนึ่งเรียกว่าธรรมะคืออันนี้นี่เองเห็นธรรมะไม่ได้เห็นอย่างที่เป็นอื่นๆไปเลยหลวงพ่อไม่รู้ถ้าเห็นสีแสงถีเทวดานรกสวรรค์น่ะไม่เห็นตัวเองแล้วน่ะเห็นจริงอันนี้กันจริงแต่ของที่เห็นน่ะไม่ใช่เป็นของจริง จะเห็นแล้วจริงแหมจริงทำไมจีไม่เป็นของจริงท่านมีทุกไหมเห็นแล้วมีทุกมีทุกมันจะมีปัญหาอะไรหนึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้านมีมันมีทุกอยู่แล้วพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนแก้ปัญหาเรื่องทุกจริงจริงมีเงินจากพันล้านเหมือนี้ถ้ามีทุกจะมีประโยชน์อะไรเงินอนันต์มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีความรู้เรียนหนังสือจบปริญญาเอก จากสิบปริยาเอกนี่ก็ตามถ้ามันทุกข์มันก็มาช่วยอะไรเราไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยจริงบัดนี้มีเงินหลายๆไม่ทุกข์มันก็มีประโยชน์จริงๆเงินนำมาให้คุณค่าของควมเป็นคนได้จริงๆถ้าเรียนหนังสือจบปริยาเอกได้สิบปริยาเอกถ้าไม่มีทุกข์นั่นก็ให้คุณค่าสมกับเป็นปริยาจริงๆบัดนี้คนที่ไม่เรียนหนังสือ ถ้าทุกข์ก็ไม่สมกับเกิดเป็นคนแล้วไม่เป็นคนแล้ววันนี้คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือแต่ไม่ทุกข์ก็เป็นคนได้ดังว่าคนคนเนี่ยเราต้องศึกษาให้รู้จักจริงๆถ้าเราศึกษาควรมเป็นคนไม่ได้ควรมเป็นผีควรมเป็นเทวดาเราก็จะไม่หูไม่เห็นควรมเป็นพระอินทร์พระพรหมเราก็จะไม่รู้ไม่เห็นดังนั้นนางสุสดานางสุจิตตาสุธรร ม, มาสุนันทา ก็หมายถึงธรรมะสี่ข้อนี้เองดังนั้นถ้าเราเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงแล้วอันนั้นเรียกว่าเป็นปุกกลาทิฐานเป็นธรรมาทิฐานทันไวยอย่างนี้นปุกกลาทิฐานท่า น, นยกเป็นบุคคลขึ้นมาเป็นตัวบทกฎหมายจับทูกเห็นได้เนี่ยเราทำอว่าเป็นปุกกลาธิฐานการทาบุญทาทานก็เช่นเดียวกันเป็นปุกกลาทิฐานเนี่ย แต่เมื่อคนมีปัญญาท่านพูดถึงเรื่องจิตใจเรียกเป็นธรรมมาที่ฐานท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นการฟังธรร ม, มาจึงพูดในเรื่องธรรมมาที่ฐานเพราะว่าธรรมในธรรมท่านว่าแต่เราไม่เข้าใจกันพูดเรื่องนี้โอ้ยหลวงพ่อเนี่พูดอันใดหกเป็นภาษาเมืองเลยบ้างฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องตัวเพราะว่านบางคนฟังไม่รู้เรื่องต้องฟังหลายครั้งหลายหนเอาฟังบ่อยๆเข้าใจกันได้ดีดังนั้นฟังทีเดีย ม, มันจะเข้าใจธรรมม แล้วยิ่งแล้วไปคนไทยฟังภาษาคนอินเดียพูดมันก็ยิ่งไม่รู้เรื่องทีเัินแต่คนไทยจริงๆนี่หนวงพอเป็นคนจำไวเลยพูดภาษาบึงเลยแล้วคนกรุงเทพฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้คนอินเดียพูดยิ่งไม่รู้เรื่องกันเลยนั่นเป็นอย่างนั้นดังนั้นการแปลหนังสือถ้าแปลผิดก็ไก่นะไก่ขมจริงถ้าแปลถูกต้องก็ตรงเข้าไปจริงๆ ดังนั้นที่หลวงพ่อพูดนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าคนใดฟังแล้วไปตีความหมายต้องเป็นอย่างนั้นอันนั้นก็อีกแล้วหลวงพ่อพูดโดยไม่ได้ตีความหมายเพราะหลวงพ่อเป็นคนไทยหลวงพ่อไม่ได้รู้ภาษาบาลีไม่ได้เรียนหนังสือเขียนหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ได้เคว่าก็พูดได้ทำไมเพราะหลวงพ่อเสื้อคําพูดตัวเองและทุกคนนี่ว่าเหมือนกันกันกบหลวงพอ่อจะว่าทุกคนทําได้ถ้าทําจริง ถ้าทำไม่จริงก็ทำไม่ได้ทำไมจริงว่าทำไม่ได้เพราะเป็นคนไม่จริงคนไม่จริงจะจริงได้ทำไมคนจริงมันต้องจริงเหมือนกันที่สมมุติหลวงพ่อมีตาหรือญาติโยมก็มีตาเพื่อนพระสงฆ์ก็มีตาด้วยกันใช่ไหมเนี่ยก็มีตาเลยว่าต้องรู้เรื่องตาเหมือนกันทิ่าติแปธนวัฒน์่าติแปะก็จักขูคือตาจักขูท่าคือท่านหนึ่งตา จะคู่วิญญาณธาตุคือวิญญาณทางตาวิญญาณจึงแปลว่ารู้โสตาก็าอย่งหูโสตาคือหูโสตธาตุาคือธาตุทางหูโสตาวิญญาณธาตุวิญญาณทางหูเดียวิญญาณจึงแปลว่ารู้ไม่ใช่วิญญาณนี้ไปจากที่นั้นที่นี้เมื่จะจับแข้งจับขาจับมือจับเท้าจับที่ไหนก็ตามรู้อันวิญญาณนั้นรู้ต้องวิญญาณจึง ย, ยู่ทุกขุมผลทีเดียวดังนั้นการจเจริญสติ จเจริญสมาธิจเจริญปัญญาอย่างไงก็ตามบางคนถามเอาจิตไปไว้ที่ไหนจะอาไปไว้ที่ไหนได้ก็มันอยู่รอบตัวเราแล้วนี่มันอยู่ทุกเส้นขนเลยอันนี้จะว่ามันจับไปไว้ไม่ได้จิตใจนี่เมื่อบางคนมาแตะต้องที่ไหนรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้อันนั้นเนี่ยจะ ว, วิญญาณไปว่ารู้ทันวันปัญญาจรงแปลว่ารอบรู้แบบนี้วิญญาณรู้ปัญญาจริงว่ารอบรู้ทันวัน ดังนั้นการศึกษาธรรมะศึกษาให้รู้ความเป็นคนเมื่อเราเป็นคนได้แล้วความเป็นมนุษย์หรือความเป็นอเรียบบุคคลมันจะขยับเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรียกว่าเมื่อมันใกล้เข้ามาสมบูรณ์แล้วเรียกว่ายานปัญญาของวิปัสสนาเกิดขึ้นน่วิปัสสนาจังหวัดรู้แจ้งรู้จริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมนั่นแต่ก้อนไม่เคยรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่เคยเข้าใจอย่างนี้ เชื่มันไม่ต่างเก่าบัดนี้มารู้อย่างนี้มันก็เลยต่างเก่าล่วงจากภาวะภพภูมิที่มันไม่มีประโยชน์นั้นไปท่านไว้จึงว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามพวมเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไ ว, ว้ว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตไม่ใช่สัตว์ในราสารนะสัตว์มนุษย์นี้เองท่าน เหมือนกันเมื่อยังไม่รู้ก็งมไปอยู่อย่างนั้นแะซอกหาบุญซอกหาสวรรค์ซอกหาเนพานคือกันกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่รู้ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าข่าวนั้นก็เป็นปุถุชนเช่นเดียวกันครับพวกเราเนี้เองเมื่อท่านรู้แล้วทั้งกวา่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้ท่านสอนอย่างนั้นแต่เราไม่เข้าใจอย่างนั้นเนี่ยทำยังไงพระพุทธเจ้าก็ไปนั่งภาวนาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ทําเหมือน ก, นกันกับพระพุทธเจ้าแต่เราได้ยินได้ฟังมาพระพุทธเจ้าตัดสั้นู้ข้การทําทางจิตทางใจแต่พูดได้อั น, นแต่ไม่รู้ เรื่องทำทางจิตทางใจเป็นปัญหาที่สำคัญเราต้องให้เห็นจิตเห็นใจของเรากำลังนึกกำลังคิดมันนึกมันคิดอะไรจ้องรู้เท้ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก่เอาะนะมันได้อย่าเข้าไปในคมคิดท่านเมื่อเข้าไปในคมคิดเขาว่ามันปุงุงเดี๋ยวเอินสังขารปุงแตง่งท่นว่าบัดนี้เมื่อไม่เข้าไปในคมคิดแต่ว่าถอนตัวออกจากคมคิด มาอยู่กับสภาพการเคลื่อนไหวของลูกท่านว่าอยากเข้าไปในตัวสมุทัยตัวนั้นตัวนั้นมันทําให้ทุกข์เกิดขึ้นมามันจับไม่ได้มันมีปุงขึ้นไปนะว่าทุกต้องกําหนดรู้ท่านว่าคือลูกการเคลื่อนไหวนี้เองสมุทัยต้องละมันละเองเมื่อเรามาลูกทําคนรู้สึกตัวนี้ตัวมันคิดมันละเองท่านว่ามักต้องจเจริญทำบ่อย นี้โนดทำให้แจ้งเลยมันจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองสัมผัสได้เองรู้แจ้งจริงๆเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนัไรจีว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้อันนี้มันมีกลับกันนะ สัตวทั้งหลายคือเราตถาคตเมื่อยังไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตเมื่อพระพุทธเจ้ารู้ก็ต้องรู้เหมือนกันสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราแตถาคตเหมือนกันเมื่อไม่รู้ก็เหมือนเมื่อรู้ก็รู้เหมือนกันรู้อันเดียวกันจังหวะทำเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าจะรู้เหมือนกันกับพธธธระพุทธเจ้าท่านวาอย่างนั้นดังนั้นพวกเรามาฟังธรรมะที่วัดสนามไหนพูดก็ไม่ค่อยมีสำนวน เพราะว่าเรื่องจำนวนสละสลวยนั้นมันเป็นการทำให้คนหลงไปก็ได้เพราะาคนฟังแล้วมันสนุกมันลืมตัวไปอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่พูดในตัวของเราอ๋อจิตใจเราเป็นยังไงดีใจเสียใจเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะได้รู้ทันทีเลยเพราะว่ามันมีในคนทุกคนไม่ต้องไปเรียนหนังสือก็ได้ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมีตาไม่มีมีหูไม่มี บ้านหลวงเขาเรียกว่าดังมีจมูกไม่มีเนี่ยจับถูกเลยเนี่ยแล้วบัานนี้คนอื่นนั้นไม่ใช่เป็นตาเป็นหูไม่จมูกเขาจะไปเสื้อเขาทําไมคําพูดของเขาเนี่ยเราของเราเนี่ยเราก็รู้ตัวเราดีจิตใจเราคิดรู้ไหมก็รู้เนี่ยใจเราคิดจิตใจเราเอ็นเอียงไปข้างไหนเราก็รู้เนี่ยดังนั้นท่านจึงว่าสันติโกผู้รู้จะพึงเห็นเองอากาลิโกเป็นภาษาบาลี ไม่ประกอบการเล่เวลาอาเอกิปติโกควรเรียกให้มาดูมาดูที่ใจเรานั่นเองไม่ใช่มาดูแค้งดูขาไม่ใช่มาดูทําเสื้อซาดถูบ้านถูเรือนอันนั้นก็ดีแต่ท่านสอนเนยให้มาดูใจตัวเองดูของคุณเนี่ยดูคุณนั่นที่อย่ามาดูผมทำไมอย่างที่่ันพูดกับพระวรกลิศพรวรกลิศคอไปดูแต่พระพุทธเจ้าหนีไปซะท่านว่า หนีไปในที่นี้เราต้องฟังให้เป็นหนีจากความคิดปรุงแต่งนะพระพุทธเจ้าแจะว่าเอาเองนั่นนี่ไม่ได้ไม่ได้มีตารานเะพระวกระลิกหนีหนีจากมาดูเราเนี่ยดูแล้วมันปรุงมันแต่งไปเลยหนีจากความคิดพระวกระลิกอยากเห็นพระพุทธเจ้านะั่นน่ะมันปรุงมันแต่มันเป็นสังขารมันเป็นอวิชชามันจะไม่เห็นจิตใจตัวเองนะ่ะหนีไปพระวกลิกพระวร่ากลิกเกิดจะไปโดนเหวตายวันนี้ อันนั้นก็เป็นเรื่องของเรื่องเป็นปุกกระฎิฐานอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่ทราบดังนั้นพระพุทธเจ้าเราคิดเองหนีจากความคิดปรุงแต่งอยากเห็นพระพุทธเจ้าในพระวักกลิกดูใจพระวักกะลิกฮั่นหนีจากความคิดปรุงแต่งเมื่อคนทุกคนวางความคิดปรุงแต่งได้แล้วก็ไม่ทุกข์เลยความทุกข์เจือไม่มี มันมีขึ้นมาเพราะในขณะที่เราหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจนั่นเองดังนั้นที่หลวงพ่อได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกิเวลาแล้วท่าที่สุดนี้อาตมาพร้อมโดยผระสงค์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ในสถานที่นี้อาตจจมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาสั่งสอนขอ ง, ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคณของพระลันตาสาวกพระธรรมสํมรจมาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้รู้แจ้งเหตุจริงตามความเป็นจริงภาพมาพบภูมิพบภูมิให้เรารู้แจ้งเหตุจริงพบที่เกิดกายเหตุจริงพบภูมิที่จิตใจมันนึกคิดกายให้เห็นจริงอย่ามันข้ามพบข้ามซาดไปหรือมันข้ามไปแล้วก็อย่าไปด้วยมันดังนั้นขอให้พวกเราได้เข้าใจสัมผัสแนบแน่นกับสิ่งที่ เป็นปกตินี่เองขอให้ทุกคนได้สัมผัสแน่แ น, นอยู่กับชีวิตจิตใจที่เป็นปกตินั้นทุกลมหายใจจงทุกๆคนเธอ